จเจริญพรท่านศรัทธาญาโยงผู้จเจริญทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันขึ้นส5บห้าค่ำเดือนเจ็เป็นวันเป็นเวลาหรืออีกเวลาหนึ่งเดือน<ม>ก็จะเป็นช่วงเทศกาลเข้าพรรษาโดยธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยพูดเราเมื่อถึงช่วงเวลาเข้าพรรษาก็จะมีการบวชกันเพื่อมาศึกษา ธรทมคำสอนของพระพุทธองค์แล้วหลังจากออกพรรษารับกระถินเสร็จแล้วก็จะมีการลาศิก้าเพื่อที่จะได้กลับไปใช้ชีวิตทางคารวะเพื่อจะได้ประพฤติปฏิบัติตัวเองในทางที่ดีที่งามเพื่อความสุขความจเจริญต่อไปดังนั้นตอนนี้ก็จะมีผู้ที่มีจิตศรัทธาที่จะบวชในอยู่จาพรรษาก็จะได้มีการทยอยกันเข้ามา อยู่เป็นนาก่อนเพื่อที่จะได้ศึกษาวิธีการขานนาคที่จะต้องใช้ในพิธีอุปสมบทแล้วก็ฝึกหัดอยู่ใช้ชีวิตแบบพระก่อนเพื่อจะได้ทดสอบดูว่าตัวเองนั้นพร้อมที่จะอยู่ พ, พ่าพุทธปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินยัยหลักกฎระเบียบของวัดได้หรือไม่เพราะวัด น, นี้เราใช้ปฏิบัติทุดดงขวัดกันเช่นมีการออกเบณฑบาท เป็นกิจวัตรประจำวันมีการฉันในบาทเป็นกะมีการฉันมือเดียวนี่คือลักษณะของทุดงควัตรทุโดงควัตรนี่ที่มีไว้ก็เพื่อที่จะเอาไว้ปรามกิเลสความโลภความโกรธความหลงความความฟุ้งเฟอ้อเหอเหอิต่างๆต้องการที่จะมาชำระจิตใจให้สิ่งเหล่านี้หมดออกไปเพราะสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นต้นเหตุ ของปัญหาทั้งหลายต้นเหตุของความทุกข์ในจิตใจแล้วก็ต้นเหตุของความเดือดร้อนของสังคมสังคมของเราทุกวันนี้ที่มีปัญหาวุ่นวายเดือดร้อนกันก็เพราะเกิดจากความโลภความโกรธความหลงความอยากตัณหาทั้งหลายของมนุษย์เราที่อยู่ในสังคมนี้ mm hmm. เมื่อมีความอยากแล้วก็ต้องออกไปกระทาสิ่งต่างๆที่เป็นการเบียดเบียนกันสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่กันและกัน ดังนั้นผู้ที่ปรารถนาที่จะมีความสุขความเจริญปรารถนาที่อยากจะให้สังคมมีความสุขความเจริญจึงได้ขวนขวายกันเข้ามาสู่วัดเพื่อศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าตามแต่ฐานะของแต่ละคนบางท่านก็บวชเป็นพระภิกษุบางท่านก็บวชเป็นเป็นชีพราหมณ์คือถือเนคขมมะบวชบวชเนคขมมะถือศีลแปด บางท่านก็มาทาบุญฟังเทศฟังธรรมทุกวันพระสายบาทเป็นประจำนี่คือวิธีการที่เราจะใช้การชำระกิเลสให้ออกไปจากจิตจากใจมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับฐานะความสามารถของแต่ละท่านจะทำกันได้ในสมัยพุทธกาลนั้นการบวชนั้นจะต่างกับการบวชในสมัยนี้มากกว่าเพราะในสมัยพุทธกาลเวลาบวตนั้นจะบวตกันแบบไม่เสร ก, กันเพราะบวชเพื่อที่จะ ตัดสงสารตัดการเวียนไหวตายเกิดให้ออกไปจากจิตจากใจด้วยการตัดความโลภความโกรธความหลงตัดตัณหาคือการะตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาความอยากในการความอยากเป็นใหญ่เป็นโตสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นเหตุที่นำมาซึ่งความทุกข์ในสมัยพุทธกาลผู้ที่ได้ยินได้ฟังรมแล้วจากพระพุทธองค์ก็เกิดศรัทธา อยากจะออกบวชเพื่อที่จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงบรรลุถึง <Yeah. S 1> เช่นในสมัยช่วงแรกๆหลังจากที่พระพุทธองค์ได้ประกาศสอนพระธรรมคํำสอนไปแล้ว mm. ก็ได้เสด็จไปโปรดพระปยุรญาธพระบิดาพระราชบิดาณกรุงกบิลพัฒน์ <c oughs> หลังจากได้ดงสแสดงทำโปรดบัญญาปยุรญาธทั้งหลายแล้วก็มี ญาติทั้งหลายมีศรัทธาอยากจะออกบวชกันเป็นจำนวนมากมีมีกลุ่มอยู่มีมีพระราชาอรรถอยู่ห พ, พระองค์ด้วยกันของบรรดากษัตรที่เป็นพยูลญาติของพระพุทธเจ้ามีจิตปรารถนาที่จะออกบวชและมีมีช่างตัดผมของของเจ้าชายเหล่านี้ขอตามเสด็จออกบวชได้ ในบรรดาเจ้าชายทั้งหพระ อ, องค์นี้ที่มีชื่อเสียงที่เรารู้จักกันก็มีพระอานุ์พระเทวทัตและพระอนุรุทธะทั้งหมดนี้มีความปรารถนาที่จะสละสมบัติฐานะของการเป็นราชโอรสออกบวชตามพระพุทธเจ้าโดยการออกบวชนี้พระราชโอรสทั้งหพระ อ, องค์นี้ได้มีข้อตกลงกันคือมีมติเห็นชอบพ้องกันว่า เวลาบวชจะให้อุบาลีซึ่งเป็นช่างตัดผมของพระ อ, องค์เหล่านี้บวชก่อนแล้วท่านเหล่านี้ถึงจะบวชตามทีหลังเพราะว่าจะได้กราบเข้าลบอุบาลีซึ่งเป็นช่างตัดผมของท่านเหล่านั้นสาเหตุที่ท่านมีมติดย่งนี้เพราะว่าการบวชของท่านนั้นท่านต้องการที่จะตัดการถือเนื้อถือตัวซึ่งเป็นกิเลสอย่างหนึ่งเป็นความหลงอย่างหนึ่งให้เอาไปจากจิตจากใจ เมื่อผู้ที่มาบวชนั้นถือว่าตายไปแล้วจากเพศของคารวาชตายไปแล้วจากฐานะต่างๆที่ตนเคยเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นพระราชโอรสเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานาธิบดีหรือเป็นมหาเศรษฐีเป็นนายพลเป็นอะไรกต็ตามแต่เมื่อได้บวชแล้วถือว่าสิ่งเหล่านี้นั้นหมดไปแล้วสิ้นไปแล้วฐานะนี้ไม่มีอยู่แล้วในพระภิกษุสงฆ์พระภิกษุ ท, าท่าน ท่านเคารพกันตามอายุพรรษาผู้บวชก่อนถือว่าเป็นผู้อาวุโสเป็นผู้แก่กว่าผู้บวชที่หลังก็จะต้องแสดงความเคารพจะต้องกราบไหว้ผู้ที่แก่กว่าดังนั้นเป็นการการการที่จะตัดหรือตัดความถือเนื้อถือตัวทิฏฐิว่าตอนเองเป็นผู้สูงเป็นผู้มีฐานะพระราชโอรสทั้งหกพระองค์นี้จึงมีมติว่าจะให้ช่างตัดผมของท่านบวชก่อน แล้วท่านก็บวชตามเพราะหลังจากบวชแล้วก็จะต้องกาบช่างตัดผมนี้ไปตลอดจนวันตายเลยทีเดียว <c oughs> นี่คือเรื่องของการบวชในพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลท่านบวชเพื่อที่จะชำระกิเลสฉันบวชเพื่อจะหวังความความสิ้นทุกข์ท่านไม่ได้บวชเพื่อที่มาสแสวงหาลาภสการะหาชื่อเสียงให้คนเขาเขาลบถือกราบไหว้ให้คนเขา มีศรัทธาเพื่อที่จะได้ถวายลาบส ก, การะทั้งหลายนี่ไม่ใช่เจตนารมของพระที่ท่านบวชในสมัยพุทธกาลดังที่จะเห็นได้ในตัวอย่างของพระอานนุ์พระอานนุ์หลังจากที่ได้บวชแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลเบื้องต้นหลังจากนั้นคณะสงฆ์ก็มีมติให้พระอา น, นุ์เป็นพระอุปถากพระพุทธเจ้าแต่ก่อนที่พระอานนท์จะ รับเป็นพระอุปัฏฐากพระพุทธเจ้านั้นพระอานุ์ขอพรพระพุทธเจ้าแปดประการด้วยกันคือมีเงื่อนไขว่าถ้าจะให้เป็นพระอุปัฏฐากพระพุทธเจ้าแล้วแล้วก็ขอเงื่อนไขแปดประการด้วยกันเงื่อนไขแปดประการนี้แบ่งไว้เป็นสองส่วนสี่ประการแรกนี้เป็นเงื่อนไขปฏิเสธและเงื่อนไขและสี่ประการหลังเป็นเงื่อนไขที่ขอให้ทำํำ เงื่อนไขสีประการแรกที่พระอานุ์ขอปฏิเสธไม่รับคือหนึ่งไม่ขอรับอาหารบิณนาบัตอันปราณีจากพระพุทธเจ้าสองไม่ขอรับจีวร อ, อันปราณีจากพระพุทธเจ้าสไม่ขออยู่ในที่ประทับของพระพุทธเจ้าและสี่ไม่ขอตามเสด็จไปในกิจนิมนต์ของพระพุทธเจ้านี่คือสิ่งที่พระอานุ์ขอปฏิเสธพระพุทธองค์จึงทรงถามว่า เหตุผลอันใดเจ้พระอานนท์จึงปฏิเสธในข้อเหล่านี้พระอานนท์ทรงทูลตอบว่าเพื่อที่จะไม่ให้คนอื่นเขาเขาลหานินทาว่ามาเป็นพระอุปถ a r m a ของพระพุทธเจ้าเพื่อหวังลาบสการะนี่เป็นคําตอบของพระอานนท์ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงทรงโปรดประทานพรในสประการนี้ให้กับพระอานนท์ส่วนพรอีกสี่ประการที่พระอานนท์ขอพระพุทธเจ้าก็คือหนึ่ง ขอให้พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระอนนุนนำผู้ที่มีจิจตศรัทธาที่เดินทางมาจากที่ไกลเข้าเฝ้าได้ทันทีเมื่อพระอนุนนำเข้าเฝ้า 2. เมื่อพระอนนุ์มีปัญหาในธรรมะข้อใดข้อหนึ่งขอให้พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระอนนุ์สอบถามได้ทันที 3. ขอให้พระพุทธเจ้าเสด็จไปในกิจนิมนที่พระอนุนทรงเป็นผู้รับไว พระพุทธสีขอให้พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมให้แก่พระอานนุ์ถ้าพระพุทธองค์ไปแสดงธรรมโดยที่พระอานุ์ไม่ได้ตามเสด็จไปฟังด้วยนี่คือพอรสีประการที่พระอานุ์ขอจากพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ถามถึงเหตุผลว่าทําไมถึงขออย่างนี้ในสามข้อแรกนั้นพระอานนุ์ตอบว่าถ้าคือเป็นป้องกันการขราหาจากผู้อื่นว่า อุสาเป็นพระอุปถาของพระพุทธเจ้าแล้วทําไมสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าถึงไม่สามารถอนุญาตให้กับพระอานุ์ได้เช่นทําไมเวลาคนมาจากทางไกลทาไมจะพาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทําไมเวลาพระอานนุ์มีปัญหาทําไมจะถามปัญหาธรรมะจากพระพุทธเจ้าไม่ได้ทําไมเวลาพระอานุ์รับกิจนิมนต์แล้วทําไมพระพุทธเจ้าไม่เสด็จไปในกิจนิมนต์นั้นทําไมพระอานุ์ไม่สามารถนิมนต์พระพุทธเจ้าไปในกิจนิมนต์นั้นได้ ทั้งๆที่เป็นพระอุปถากรับใช้พระพุทธเจ้าพระอานนุ์ขอพร3ข้อนี้เพื่อการคารหาจากผู้อื่นส่วนข้อที่สที่ว่าพระพุทธองค์เวลาไปแสดงพระธรรมที่ไหนแล้วพระอานนุ์ไม่ได้ตามเสด็จไปด้วยเวลาพระพุทธเจ้ากลับมาจะต้องแสดงธรรมนั้นให้กับพระอานุ์เพื่อการคารหาที่ว่าพระอานุ์นี้เปรียบเหมือนกับเป็นเไปเงาตามตัวของพระพุทธเจ้า แล้วทําไมพระอานุ์จึงไม่รู้ว่าธรรมเทศนาอันนี้ที่พระพุทธองค์แสดงไว้นั้นได้ทรงแสดงไว้ที่ไหนเกี่ยวกับเรื่องอะไรดังนั้นนี่คือพรที่พระอานุขออน์ขอจากพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์หลังจากได้พิจารณาแล้วก็อนุญาตประทานพรเหล่านี้ให้กับพระอานุ์นี่คือเรื่องของพระอานุนที่แสดงถึงเจตนาอันบริสุทธิ์การที่ได้ไดอุ ป, รรปถัมภะถาก ร, รับใช้พระพุทธเจ้านั้น เพราะว่าไม่ได้หวังลาบสักการะไม่ได้หวังที่อยากจะมีอำนาจบาดใหญ่ซึ่งต่างกับคนในสมัยนี้เวลาเขาได้มีฐานะเป็นหน้าห้องเป็นเลขาหรือเป็นทอสอนนี่เขาจะมักจะมีผลประโยชน์ตามมาคือผู้ที่จะเข้าหาผู้ใหญ่จะต้องผ่านบุคคลเหล่านี้ก่อนและเมื่อต้องผ่านบุคคลเหล่านี้ก็ต้องมีข้าวมีของอะไรติดไม้ติดมือไปประเคนไปถวายถ้าไม่ประเคนไม่ถวายแล้ว จัไม่ได้เข้าหาได้โดยสะดวกแต่พระอานนท์นี่ขอปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไม่ขอรับอะไรทั้งสิ้นนี่คือลักษณะของผู้ที่ประพฤติปฏิบัติทำเพื่อชําระตัดความโลภความโกรธความหลงส่วนตัวอย่างที่ไม่ดีที่มาบวชแล้วเพื่อมาทําลายตัวเองและทําลายพระศาสนาก็คือพระเทวทัตพระเทวทัตนี่หลังจากที่ท่านได้บวชแล้ว ก็ได้บรรลุมีฤทธเดชขึ้นมาเป็นโลเป็นโลกียธรรมไม่ใช่เป็นโลกุตระธรรมฤทธิ์ที่พระเทวทัตได้บรรลุถึงนี้ไม่สามารถไปชําระตัดความโลภความโกรธความหลงเลือกได้แต่กลับไปเสริมให้เกิดความหลงมากขึ้นคือเกิดความคิดหลงตัวเองว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษจึงอยากจะเป็นผู้ปกครองสงสงแทนพระพุทธเจ้าจึงไปกราบทูลขอพระพุทธเจ้าว่าขณะนี้พระพุทธองค์ก็มี พระอายุมากแล้วทรงปกครองสงไม่ไหวอยากจะขอให้พระพุทธองค์นั้นทรงสละตําแหน่งประธานสงฆ์และมอบให้กับพระเทวทัตเป็นผู้ปกครองสงฆ์แทนแต่พระพุทธองค์ทรงรู้ถึงความถึงกิเลสของพระเทวทัตจึงไม่ทรงประทานอนุญาตให้พระเทวทัตเทวทัตมีอํานาจปกครองสงฆ์แทนพระพุทธองค์พระพุทธองค์ทรงบอกว่า ทรงตอบไปว่าแม้แต่พระสาวริบุตรกับพระโมกคลาพระพุทธองค์ยังไม่ได้มอบหน้าที่นี้ให้เลยแล้วพระเทวทัตพระพุทธองค์จะมอบให้ได้อย่างไรเพราะว่าพระอัครสาวกทั้งสองพระองค์ก็คือพระสาวริบุตรและพระโมกคลานะท่านเป็นพระอรหันต์ท่านเป็นผู้ที่สิ้นกิเลสแล้วมีฤทธิ์มีเดชมากมายกายกองมากมายยิ่งกว่าพระเทวทัตพระพุทธเจ้ายังไม่ทรงมอบอํานาจนี้ให้กับพระอัครสาวกทั้งสองพระองค์เลย พระองค์จึงไม่มอบอำนาจนี้ให้กับพระเทวทัตเมื่อเป็นเช่นนั้นพระเทวทัตก็เกิดความโกอธแค้นในพระพุทธเจ้าเลยคิดที่จะปวงประโชนพระพุทธเจ้าโดยการสมรู้ร่วมคิดกับพระอาชาติศัตรูซึ่งเป็นพระราชาโอรสของพระเจ้าพิมพิสารซึ่งมีสตาในตัวพระเทวทัตเนื่องจากว่าพระเทวทัตได้ได้แสดงฤทธเดชแสดงฤทธให้พระอา เจ้าชายอาชาตศัตรูเห็นเข้าคือแปลงกายเป็นบุคคลต่างๆได้เจ้าชายอาชาตศัตรูเลยมีควา ม, วมเคารพนิอมใสสางสองก็เลยคบเเลยขอกาลังจากพระเจ้าอาชาตเจ้าชายอาชาตศัตรูนี้เพื่อที่จะส่งคนมารอบประชรอบรงพระชนพระพุทธเจ้าโดยให้ส่งมาสองคนเพื่อปรงพระชนพระพุทธเจ้า แล้วให้ส่งมาอีกสี่คนเพื่อมาฆ่าคนที่ปลอมพระชนพระพุทธเจ้าทั้งสองคนนั่นเสียแล้วก็ให้ส่งมาอีก8ดคนเพื่อที่จะฆ่าพวกสี่คนที่ไปฆ่าพวกสองคนแล้วก็ให้มาส่งอีกมาอีกสิบคนเพื่อที่จะไปฆ่าพวก8คนที่ไปฆ่าพวกสี่คนนั้นเป็นการปิดปากเพื่อที่จะได้ไม่มีใครสามารถที่จะโยงถึงถึงพระเทวทัศน์กับถึงพระเจ้า กับเจ้าชาชาติศัตรู mm hmm. แต่เมื่อสองคนแรกส่งไปโปรงพระชนพระพุทธเจ้าเมื่อไปพบพระพุทธเจ้ า, พ ร, พ, จาพระพุทธองค์ทรงสแสดงธรรมโปรดสองคนนี้จนกระทั่งสองคนนี้เกิดความศรัทธาเลื่อมใ ส, สแสดงตนเป็นอุบาสกและเปลี่ยนใจในการที่จะมาทำลายพระพุทธองค์พระพุทธองค์จึ ง, จงบอกสองชายสองคนนี้ว่าเวลากลับไปอย่ากลับไปในทิศทางเดิม เขาะจะมีคนก็คอยฆ่าอยู่ให้ไปทิศทางอื่นเมื่อไปเมื่อไปทิศทางอื่นเจ้าสี่คนที่นั่งรอคอยที่จะฆ่าเจ้าสองคนนี้<ม>ก็ไม่เห็นมาสักที<ม>ก็เลยตามมาที่พระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็ทรงสแสดงธรรมโปรดทั้งสี่คนนี้<ม>เขาก็เกิดศรัทธาขึ้นมาขอเป็นอุบาสกเช่นกันพระพุทธองค์ก็บอกว่าเวลากลับไปให้ไปทางอื่นเช่นเดียวกับอีกแปดคนและอีกสิบหกคนมาทั้งหมดก็ หลังจากได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดศรัทธากลายเป็นอุบาสกไปทั้งหมดนี่คือวิธีการที่พระเทวทัตพยายามที่จะทำลายพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกเมื่อไม่สำเร็จก็เลยคิดการครั้งที่สองโดยไปให้รางวัลคนเลี้ยงช้างที่เลี้ยงช้างดุราอยู่ตัวหนึ่งชื่อนาราคีรีขอให้ปล่อยช้างนี้ออกมาทำลายพระพุทธเจ้า เมื่อเวลาปล่อยช้างออกมาแล้วช้างไปเจอพระพุทธเจ้าแทนที่จะทําร้ายพระพุทธเจ้ากับแสดงคารวะพระพุทธองค์เนื่องจากพระพุทธองค์ได้ทรงแผ่พระเมตตาให้กับช้างตัวนี้ไว้ <c oughs> ช้างก็ไม่ทํำลายพระพุทธเจ้าเมื่อไม่ทา ม, มารทําลายพระเจ้าด้วยการส่งช้างมาทํำลายได้ก็เลยปีนขึ้นไปบนทูกเขารอจังหวะเวลาพระพุทธองค์เดินผ่านมาก็กิ้งเห็นลงมาเพื่อที่จะให้ให้เห็นด้านนั้นทัพพระพุทธองค์ ถึงแก่พระชนแต่ก็ไม่สามารถที่จะปองพระชนได้เพียงแต่ทำให้เศษหินที่แตกกระจายนั้นทําให้พระบาทพ่อพระเราหิตเท่านั้นเองเมื่อไม่สามารถทำลายพระพุทธองค์ได้ด้วยสามวิธีการนี้พระเทวทัตก็เลยใช้วิธีใหม่โดยการไปขอพรพระพุทธเจ้าอยู่ห้าประการด้วยกันคือขอให้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามพระสงฆ์คือให้พระสงฆ์นี้ ออกเบญทบาทตลอดชีวิตห้ามรับเกียรตินิมนต์ถ้ารับเกียรตินิมนต์แล้วถือว่าเป็นโทษ 2. ห้ามไมาใ่ให้พิกสุให้พระให้กําหนดให้พระภิกษุอยู่แต่ในป่าถ้าเข้ามาอยู่ในบ้านในเมืองถือว่าเป็นโทษ3ห้ามให้พระภิกษุถือผ้าบางสกุลสมผืนคือผ้าบางสกุลคือให้ไปเก็บผ้ามาจากป่าชา ผ้าที่เขาทิ้งตามกองขยะมาทำเป็นผ้าจีวรห้ามรับผ้าสำเร็จรูปที่ศรัทธายาเดโยงนำมาถวายถ้ารับแล้วถือว่าเป็นเป็นบาปเป็นโทษข้อสขอให้หขอให้ภิกษุอยู่คนไม้ตลอดชีวิตคือไม่ให้อยู่ในที่บุงที่มุงบงังอยู่ในกุฏิและข้อหขอให้ภิกษุไม่ฉันเนื้อสัตว์ ถ้าฉันเนื้อสัตว์แล้วเป็นโทษนี่คือพอรทั้งห้าประการที่พระเทวทัตขอให้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติบังคับให้พระสงฆ์ทั้งหมดปฏิบัติปฏิบัติตามเพื่อจะทรงแสดงว่ามีความเคร่งคัดอย่างยิ่งพระพุทธองค์หลังจากทรงพิจารณาแล้วก็ทรงปฏิเสธโดยในสี่ข้อแรกนั้นพระพุทธองค์ทรงปล่อยให้เป็นไปตามอัธยาศัยของพระแต่ละรูปจะกระทากันคือถ้า อยากจะบินธบัตอยากแต่ถ้ามีกิจธุลิกิตนิมนต์จะไปกิจนิมนต์ก็ได้ถ้าอยู่ในปา่าแต่ถ้ามีความจําเป็นจะต้องไปอยู่ในบ้านในเมืองบางครัง้งบางโอกาสก็ได้ถ้าอยู่โคนไม้เวลาเข้าส่วนเวลาอยู่โคนไม้นี้พระพุทธองค์ทรงอนุ ญ, ญาตให้อยู่ได้เพียงแปดเดือนช่วงฤดูแล้งเท่านั้นเองในช่วงฤดูฝนนี้พระพุทธองค์ให้อยู่ในที่มีที่บุ้งที่บาง เพราะว่าถ้าอยู่คนไม้ในช่วงฤดูฝนนี้จะลําบากจะเดือดร้อนและอาจจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตก็ได้จึงไม่ทรงอนุ ญ, ญาตส่วนการถือผ้าบางสกุล น, นี้พระพุทธองค์ก็ปล่อยให้เป็นไปตามอัธยาศัยของพระถ้าพระอยากจะไปใช้ผ้าเก่าเก่าไปเก็บผ้าเก่าเก่ามาทําเป็นจีวรพระนุน่งผมก็ไม่ทรงห้ามแต่ถ้ามีศรัทธาญาติโยมมีจิตศรัทธาอยากจะถวายผ้าใหม่ทั้งผืนให้ก็ทรงอนุ ญ, ญาตให้รับได้ ส่วนการห้ามไม่ให้ผราฉันเนื้อสัตว์นั้นตลอดชีวิตนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงไม่ห้ามแต่ให้ห้ามในลักษณะว่าท่าเนื้อสัตว์ที่เขานำมาถวายพระนั้นมีเจตนาเจาะจงฆ่ามาเพื่อที่จะมาถวายพระโดยตรงคือถ้าพระเกิดมีความเห็นเข้าก็ดีหรือได้ยินเข้าก็ดีหรือมีความสงสัยก็ดีว่าเนื้อสัตว์ที่เขานามาถวายท่านนั้น เป็นเนื้อสัตว์ที่ค้าเจาะจงเพื่อมาถวายท่านแล้วท่านก็ไม่รับในเนื้อสัตว์เหล่านั้นนะเพราะว่าพระพุทธองค์ทรงเห็นว่าการปฏิบัติเข่งจนเกินไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่ได้ไปทําลายกิเลสแล้วก็ไม่ได้ช่วยทําให้าศาสนาแผ่กว้างขยายไปได้ไกลนั่นเองพระพุทธองค์จึงไม่อนุ ญ, ญาตพรทั้ง5ประการเมื่อพระพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาตแล้วพระเทวทัตก็เกิดความดีอกดีใจขึ้นมา พระตัวเองจะได้ปฏิบัติทั้งห้าข้อนี้แล้วจะได้ประกาศตัวเองว่าตนนั้นแข่งกว่าพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นก็ไปประกาศบอกพวกพระใหม่ทั้งหลายพระใหม่ทั้งหลายที่ไม่รู้เรื่องราวก็เลยติดตามพระเทวทัตเป็นลูกศิษย์ของพระเทวทัตไปเป็นจํานวนมากมายหลายร้อยรูปด้วยกันแล้วก็แยกตัวไปตั้งอุโบสถสังฆกรรมแยกออกจากพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธองค์ทราบเข้าก็เลยส่งพระสาวรีบุตรกับพระโนคลาไป ชี้แจงให้กับพระเหล่านั้นให้เข้าใจเมื่อพระโมคคลากับพระสาวริบุตรไปไปที่สํานักของพระเทวทัตพระเทวทัตก็ดีใจคิดว่าพระโมคคลากับพระสาวริบุตรมาร่วมเป็นพวกด้วยก็เลยมอบภาระให้พระสาวริบุตรเป็นผู้อบรมสั่งสอนพระใหม่ทั้งหลายเหล่านั้นหลังจากที่พระสาวริบุตรได้ทรงชี้แจงแสดงทําให้กับพระใหม่เหล่านั้นแล้วก็พระเหล่านั้นก็เกิดความเข้าใจก็เลยเปลี่ยนใจ ย้อนกลับไปอยู่กับพระพุทธเจ้าทั้งหมด เ, เมื่อพระเทวทัตได้ทราบข่าวเข้าก็ถึงเกิดความเสียใจถึงกับอาเจียนเป็นเลือดออกมา เ, เพราะว่ากายเป็นตัวตนเองไม่มีสมุนไม่มีไม่มีบริวารเสียแล้วนี่คือเรื่องราวของพระเทวทัตที่เมื่อมาบวชแล้วแทนที่จะมาบวชเพื่อที่จเจริญธรรมะเพื่อที่จะตัดความโลภความโกรธความหลงให้กับจิตใจ แต่หลังจากที่ได้ลิศขึ้นมาก็เกิดความหลงขึ้นมาอยากจะเป็นผู้มีอำนาจบาทใหญ่ก็เลยสร้างปัญหาต่างๆขึ้นมาในพระไตรปิฎกท่านแสดงไว้ว่าหลังจากที่พระเทวทัตตายไปแล้วก็จะต้องไปสวยต้องไปใช้กรรมในนรกแต่เนื่องจากว่าได้ได้มีบุญได้ทาบุญไว่มามากหลังจากที่สิน้นสิ้นใช้กรรมในนรกหมดไปแล้วก็จะได้กลับมาตัสรู้เป็นพระประเจกกพระพุทธเจ้า นี่ก็คือเรื่องราวของการบวชในพระพุทธศาสนาซึ่งมีแสดงไว้ในพระไตรปิฎกเพื่อที่จะไหวเป็นเป็นคติธรรมสอนพวกเราชาวพุทธทั้งหลายที่มามามาเกิดที่หลังและมีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาการที่เราจะประพฤติปฏิบัติอะไรเกี่ยวข้องกับศาสนานั้นขอให้เรามีความระมัดระวังอย่างยิ่งควรจะศึกษาพระธรรมวินัยให้ถ่องแท้เสียก่อน ว่าพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติอะไรไว้หรือไม่ได้ทรงบัญญัติอะไรไว้เพราะว่าถ้าเราไปทําในสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงบัญญัติไว้หรือไปเลิกในสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้นั้นถือว่าเป็นการทําบาปอย่างหนักแก่พระศาสนาเป็นการสร้างบาปกรรมให้กับตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัวทั้งทั้งที่ตัวเองมีจิตศรัทธามีความปรารถนาที่จะมาบวชเพื่อบุญเพื่อกุศลแต่เพราะความรู้ไม่รู้เท่าไม่ถึงการ ก็มาเจ้าขี่เจ้าการมาบวชในศาสนาแล้วก็อยากจะยกเลิกพระวินัยข้อนั้นบ้างข้อนี้บ้างบัญญัติพระวินัยข้อใหม่ๆขึ้นมาบ้างโดยที่พระาศาสนาไม่ได้ทรงบัญญัติไว้นี่คือการทําลายพระศาสนาทําลายตัวเองดังนั้นผู้ที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาปรารถนาความสุขความเจริญของตัวเองและของศาสนาโดยรวมแล้วหน้าที่ของเราในเบื้องต้นก็คือต้อง ศึกษาก็ทำคําสอนก่อนศึกษาให้เข้าใจอย่างทําแท้ในข้อห้ามข้อให้ว่าทรงให้ทําอะไรทรงห้ามให้ทําอะไรแล้วนําเอาไปประพฤติปฏิบัติกับตัวเราจนกระทั่งได้บรรลุคําจัดกิเลสมารู้ทำขจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดออกไปจากจิตจากใจเสียก่อนแล้วจึงค่อยนําความรู้เหล่านั้นที่เราได้มาสั่งสอนเผยแผ่ให้กับผู้อื่นต่อไปถ้ากระทาอย่างนี้แล้วก็จะไม่ขัดต่อทำกับวินยัย พระผู้ที่บรรลุธรรมแลวนั้นถือว่าเป็นผู้เห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้เห็นตถาคตคือผู้ที่เห็นธรรมนะเมื่อผู้